พวกเราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลเหมือนกับมาเรียนวิธีปลูกผักรู้จากวิธีปลูกผักแล้วก็ต้องไปปลูกถ้าไม่ปลูกผักก็จะไม่มีผักกินไม่มีผักเอาไปขาย ธรรมะก็เหมือนกับผักธรรมะก็คือมากผลที่ผานอันนี้ก็ต้องมีการปลูกการปลูกธรรมะก็คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ได้มรกผลนี่ผาน มืนกับชาวนาวชาวไร่ถ้าไม่ปลูกผักปลูกข้าวก็จะไม่ได้ผักไม่ได้ข้าวไปเรียนวิชาปลูกผักปลูกข้าวมาแล้วอย่างเดี๋ยวนี้ไปเรียนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เาขาก็สอนวิธีปลูกผักปลูกพืชอะไรต่างๆถ้ารู้จักวิธีปลูกแต่ไม่ไปปลูก ก็จะไม่ได้ผลไม่ได้คลื่นไม่ได้พักต่างๆดังนั้นเวลาที่ปฏิบัตินี้เราต้องปฏิบัติกันอยา่างจริ ง, จ, รงจังๆเราต้องมีมาตรการที่จะบังคับให้ตัวเรานั้นทำความตี่นให้ตัวเราปฏิบัติกัน ถ้าเราไม่มีมาตรการปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ก็จะปฏิบัติไม่อย่างต่อเนื่อง mm hmm. เวลามีอารมณ์อยากปฏิบัติก็ปฏิบัติ mm hmm. เวลามไม่มีอารมณ์จะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติ mm hmm. เพราะใจเรายังโลเลบางทีก็อยากปฏิบัติบางทีก็อยากไปเที่ยว ปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็เป็นเหมือนเรือที่ปล่อยให้เป็นไปตามกระแสลมกระแสน้ําน้ําพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นลมพัดไปทางไหนก็พัดไปทางก็ไปทางนั้นมันจะไม่ได้ไปไหนทางที่เราต้องการจะไปแต่ถ้าเรามีหางเสือมีพายหรือมีใบ ที่เราสามารถาควบคุมบังคับทิศ ท, ทางของเรือได้เราก็จะสามารถบังคับให้เรือวิ่งไปในทิศ ท, ทางที่เราต้องการไปได้ทิศ ท, ทางของพวกเราก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่คือทิศ ท, ทางที่เราจะต้องควบคุมใจของเรา ให้ไปในทิศทางนี้ให้ได้ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็จะไปบ้างไม่ไปบ้าง<ม>เวลามีอารมณ์มาวัดมาปฏิบัติธรรมก็มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันเวลาอยากจะไปทําอย่างอื่นก็ไปทำไปทําอย่างอื่น ใจของเรามันก็เลยไปซิกแซกหรือไปแบบเดินหน้าถอยหลังเดินไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวก็ยูเทิร์นกลับมาที่เก่าแล้วเดี๋ยวก็กลับยูเทิร์นกลับไปใหม่มันก็วงอยู่ในวงกลมไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ผู้ปฏิบัตินี้จะต้องมีมาตรการมาตรการอันแรกก็คือเราต้องมีการตั้งเป้าหมายตั้งเวลาของการปฏิบัติเช่นตอนนี้เข้าพรนษาใกล้จะเข้าพรรษาแล้วชาวพุทเรามักจะมาตั้งเป้ากันที่ในช่วงเข้าพรรษาตลอดเวลาระยะเวลาสามเดือนของพรรษานี้ เราจะไปอยู่วัดเราจะไปบวชแล้วแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้เราก็จะไม่ได้ทำตอนนี้ก็มีการบวชไปเมื่อวานนี้เมื่อวานสื่อวันจันทร์บวชไปยี่สิบรูปพวกที่มาบวชนี้เขาก็ต้องตั้ง เป้าหมายไว้ลว่าพรรษานี้จะไปบวชจะไปอยู่วัดจะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ได้ตั้งใจตั้งเป้าไว้ก่อนก็จะไม่ได้ไปบวชันสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัตินี้เราต้องมีการกำหนดเป้าหมายกาหนด เมนูของการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติวันไหนถึงวันไหนเวลาไหนถึงเวลาไหนอันนี้ถึงจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติถ้าเราไม่ตั้งตั้งตารางไว้ตั้งเป้าหมายไว้เราก็จะไม่ทำ เราก็จะทำไปตามความอารมณ์ของเราอารมณ์อยากจะทำก็ทำอารมณ์ไม่อยากจะทำก็ไม่ทำอารมณ์อยากจะไปทำอย่างอื่นก็จะไปทำอย่างอื่นเฉะนั mm ้น hmm. ข้อแรกที่เราต้องมีก็คือความตั้งใจ mm hmm. เราต้องตั้งตั้งเป้าหมายของการกระทำของเรา นบางคนก็ตั้งว่าขอบวชสามเดือนบางคนก็บวชแบบไม่สึกขอบวชแล้วก็ขอปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่ไปไม่ไปทำอย่างอื่นจะปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับ จะรักษาศีลตลอดระยะเวลาที่ตื่นจะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ที่ตื่นพุทโธพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปแล้วก็สลับกับการนั่งสมาธิพุทโธไปเวลาต้องทำภารกิจส่วนตัวเช่นอาบน้ำอาบท่า ้างหน้าแปลงัไฟรับประทานอาหารหรือทำทำความสะอาดที่พักอยู่อาศัย mm hmm. ก็ทำด้วยความมีสติพอว่างจากภารกิจที่ต้องทำประจำวันก็เดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิและอาจจะมีแบ่งเวลาไว้ให้ฟังเทศฟังธรรม สักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได้เพื่อจะได้ทบทวนวิธีการปฏิบัติของเราเพื่อจะได้ไม่หลงทางถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมบางทีเราลืมเราอาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้ดันั้นวันหนึ่งเราก็ต้องมีกิจกรรมเหล่านี้ เดิจงกรมนั่งสมาธิด้วยสติเดินก็มีสติเดินก็พุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าไม่ใช้พุโทโธจะใช้การดูร่างกายก็เฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการเดินกับการทําอะไรต่างๆไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่กับ ร่างกายตลอดเวลาแล้วพอเวลามานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกสำหรับผู้ที่ใช้การดูล่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าผู้ที่ใช้พุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปไม่ว่ากำลังจะเดินจงกรมหรือกำลังทำภารกิจต่างๆก็พุทธโธพุทธโธไป อย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าให้ไปคิดถึงราบยศสารเสริญอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆควบคุมใจด้วยสติอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติถ้าเดินจงกรมแล้วใจลอยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงสถานที่นั่นสถานที่นี่ก็ก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติ มีแต่ร่างกายที่เดินจงกรมมีมีรูปรูปของการเดินจงกรมแต่สาระของการเดินจงกรมไม่มีสาระการเดินจงกรมนี้อยู่ที่การมีสติอยู่ที่การเจริญสติหรืออยู่ที่การเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาเป็นถ้าพิจารณาตรยลักเป็นก็พิจารณาตายลักไป ก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ไม่ควรที่จะไปเจริญปัญญาควรจะหยุดความคิดก่อนเพื่อทําใจให้สงบให้ใจเป็นสมาธิก่อนนี่คือการตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติพอเราตั้งเสร็จแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เราตั้งไว้อย่าให้ล้มบางทีตั้งไปอย่างนั้น พอถึงเวลาก็เลยเปิดทีวีดูเปิดเครื่องมือถือดูเช็คเอีเมลเช็คลายนะเข้าไปเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี้ใจไปไหนถึงไหนเราไม่รู้แตก็ยังคิดว่าปฏิบัติอยู่นะยังปีกไวเวกอยู่ยังอยู่คนเดียวอยู่อยู่ร่างกายอยู่คนเดียวแต่ใจมันไปอยู่กับ ใครแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไปอยู่กับไลนนี้กับมารู้ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้แล้วเดี๋ยวก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาอันนี้ถ้าปล่อยให้ใจเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความตั้งใจแต่ไม่มีความไม่มีความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจคือไม่มีความจริงใจ ตั้งไปอย่างนั้นนะตั้งให้มันโก้โก้เดี๋ยวจะได้ว่าวันนี้จะปฏิบัติทั้งวันจะเดินจงกรมนั่งสมาธิพอถึงเวลาไปเปิดมือถือแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เดินไปคุยคนนั้นคุยคนนี้แล้วอันนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจแต่ไม่ทําตามที่ตั้งใจเอาไว้ ถ, ถ้าทำตามที่ตั้งใจเอาไว้เรียกว่ามีสัจจะอย่างพระพุทธเจ้านี่ตามที่ท่านนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพธิ์ท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานอธิษฐานก็คือตั้งใจสัจจะก็คือจริงใจเอาสัจจะเอาความจริงตั้งใจแบบจริงๆไม่ใช่ตั้งใจแบบโก้ๆหรูหร่หลัอธิษฐานสัจจะอธิษฐานนี้เรียกว่าตั้งใจแบบจริงๆ ก็คือท่านบอกว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะบรรลุถ้าไม่บรรลุ ก, ก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไปต่อให้ร่างกายเลือดในร่างกายเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกขอยอมตายถ้าไม่บรรลุถ้าจะลุกก็ต้องแสดงว่าบรรลุแล้วอันนี้แหละคือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้า ความตั้งใจและความจริงใจของพระพุทธเจ้าพอนั่งไปแล้วเดี๋ยวมันเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าไม่มีศสัจจะก็กอ้อยไม่ไหวแล้วลืมไม่หมดว่าตั้งใจจะทำอะไรพอเจอความเจ็บนะไปเลยขยับนู่นขยับนี่ไปแล้วเผล่อไปเด้อลุกไปไหนแล้วก็ไมล่ ะ, ะนี่คือต้องมีการตั้งเป้าหมายของการ ปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนเมื่อตั้งแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งไว้ถึงจะเรียกว่ามีสัจจะพอเรามีสัจจะมีที่ตั้งแล้วเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องทำภาวนาไปเจ็บก็ต้องภาวนาไม่ใช่เจ็บแล้วก็เลิกหรือเบือ่อแล้วไม่อยากจะนั่งต่อไปก็เลิกอันนี้ก็ไม่มีความเพียรขี้เกียจนะ ไปเปิดดูมือถือดีกว่าใครส่งค่ะอะไรข้อความมาหรื อ, อยังมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้บ้างเรื่างตอนนี้ไม่ทาความเพียรไม่มีความเพียรถ้ามีความเพียรก็ต้องนั่งพุทธโธต่อไปพุทธโทพุทธโทไปมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ไม่สนใจก็พุทโธพุทโธไปนั่งไปจนกว่าจิตมันจะรวมเป็นสมาธิ หายเจ็บความรู้สึกหายความทุกข์ใจหายไปความเจ็บทางร่างกายหายไปเหลือแต่อุเบขาสัจธรรมรู้เหลือแต่ความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่งก็อยู่อย่างนั้นไป้องการจะถอนออกมาถอนออกมาแล้วก็ได้เสร็จไปขั้นหนึ่งแล้วได้สมาธิแล้ว ทีนี้ออกมาก็มาฝึกสติใหม่ก็ได้หรือจะออกมาเจริญปัญญาก็ได้ออกมาก็ถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็พุโทโธต่อหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อถ้ายังสติยังไม่มั่นคงถ้าสติมั่นคงแล้วไม่เผลอแล้วก็มาพิจารณาปัญญา เรียกว่าทำความเพียรต่อไม่ใช่ว่าพอนั่งเดียวเดียวเจ็บก็ลุกไม่ไหวแล้วไปทำอย่างอื่นไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิแล้วอย่างนี้ไม่ได้แสดงว่าไม่มีความเพียรถ้ามีความเพียรก็ต้องนั่งไปจนกว่ามันจะทนนั่งไม่ได้จริงๆหรือจนกว่าจิตสงบแล้วจิตถอนออกมาแล้วต้องเปลี่ยนอิเดียบทเพราะร่างกายเมื่อมันนั่งอยู่ใน ถ้าเดียวนานๆมันก็ต้องมีอาการเจ็บปวดเป็นธรรมดาก็ต้องมีการผ่อนคลายมีการเปลี่ยนอิริยาบุอันนี้ก็เป็นทต้องทำความเพียรตลอดเวลาต้องรักษาศีลต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้ได้สติเพื่อให้ได้ปัญญา ทำอย่างนี้ไปจนถึงเวลานอนนอนก็ก่อนจะนอนก็ตั้งสติว่าจะนอนกี่ชั่วโมงจะนอนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่นอนต่อจะรีบลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาต่อนี่คือความเพียร แล้วก็ต้องมีขันติความอดทนเวลาเจอความยากลาบากก็ไม่ถอยออสู้ไม่ถอยออหนักเอาเบาสู้นั่งแล้วไม่สงบก็นั่งไปนั่งสงบก็นั่งไปนั่งไม่สงบก็นั่งไปนั่งไปจนกว่าจะทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินแทน เดินไปยังข้างเดินไม่ไหวก็กลับไปนั่งใหม่ให้มมีการปฏิบัติอย่างนี้ไปทุกเวลานาทีนอกจากเวลาพักผ่อนหลับนอนถ้าทำความเพียรอย่างนี้ได้ถ้ามีความอดทนก็จะทำได้ต้องมีขันติมีความอดทนนี่คือมาตรการที่เราจะใช้ในการปฏิบัติ เราต้องมีอธิษฐานความตั้งจิตตั้งใจตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติกี่ชั่วโมงกี่เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีบางคนก็ตั้งปฏิบัติไปจนวันที่บรรลุถ้ายังไม่บรรลุก็ไม่หยุดปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่เตื่นจนหลับเนี่ยอันนี้เป็นขั้นเต็มเต็มร้อย ท่านเต็มร้อยก็คือจะขอปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ตื่นแล้วจะปฏิบัติไปจนกว่าจะบรรลุหรือตายถ้าตายก็ไม่ก็เลิกปฏิบัติหรือถ้าจะเลิกปฏิบัติก็ต้องบรรลุแล้วเหมือนนักศึกษารับปริญญาแนละ้วถึงจะเลิกเรียนถ้ายังไม่ได้รับปริญญาอยู่ก็เรียนต่อไปเรียนไปจนกว่าจะได้รับปริญญา ถ้าไม่เรียนมันก็จะไม่ได้รับปริญญาเรียนไปปีสองเบื่อแล้วไปมีแฟนดีกว่าไปมีแฟนก็เลยไม่เรียนต่อปริญญาก็ไม่ได้รับต้องมีมาตรการตั้งเป้าของการปฏิบัติของเราว่าจะปฏิบัติระดับไหนเข้มข้นเต็มร้อยหรือตอนต้นเอาแบบพอหอมปากอหอมคอไป วัะสองสามชั่วโมงกันก็แล้วแต่กําลังอีกของแต่ละคนเองครับางทีอยากจะปฏิบัติเต็มร้อยแต่มันไม่มีกําลังมันก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนมีน้ำมันมีน้ํามันอยู่แค่ร้อยละสิบในในถังแล้วอยากจะให้มันวิ่งไปถึงเชียงใหม่มันก็ไปไม่ถึงมันก็ต้องวิ่งไปตามกําลังของน้ํามันที่เรามีอยู่ถ้าไปตั้งเป้าเกินกําลังเดี๋ยวมันก็ท้อได้ แล้วก็จะพานเลิกเลยไม่ใช่เลยท้อไม่เป็นไรกลัวท้อแล้วก็เลิกเลยกิเลสมันจะยุ่เอาแล้วเลิกมันเลยดีกว่าออย่าไปเลิกถ้าทําได้เท่านี้ก็ทําไปเท่านี้ก่อนแล้วค่อยๆไปเติมน้ํามันไปเติมน้ํามันไปเติมกําลังขึ้นมาใหม่ปฏิบัติไปแล้วมันจะมีกําลังขึ้นไปเองเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกไปเนื่อๆ เ, เดี๋ยวมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆ การปฏิบัติใหม่ๆก็อาจจะแค่แควันละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เพิ่มเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเพราะมันไปเรื่อยๆแล้วดูกำลังของเราบางคนอาจจะปฏิบัติได้ทั้งวันเลยก็ได้ปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ก็พยายามดันมันนะดันมันผลักมันอย่าปล่อยให้มันดันเราผลักเรา ถ้าเราให้มันดันเราผักเรานี่ดานๆมันจะดันสักทีดานนานจะเข้าวัดสักทีแต่ถ้าเราดันมันนี่เราดันมันให้มันอยู่วัดได้ทุกวันเลยจะให้ใครดันดีให้มันดันหรือเราดันมันดีถ้าให้มันดันเรามันก็จะดันเราไปที่อื่นเลยไปที่ศูนย์การค้าไปที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆถ้าจะให้มันมาวัดนี่เราต้องดันมันมันถึงจะมา มันไม่ชอบมาวัดกันใช่มเนี่ยพวกเรามาวัดกันกี่ครั้งเนี่ปีนี้มาที่นี่กี่ครั้งนะพวกที่มาถ่ายทอดนี่มาบ่อยเลยเพมีมีความตั้งใจต้องมาเพราะต้องมาทำหน้าที่ถ่ายทอดเนี่ยก็เลยได้ยินได้ประโยชน์สองสองต่อ ยิงนกยิงนกกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวได้มาทำประโยชน์ได้มาถ่ายทอดสดเราได้กาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่มีกำลังที่จะไปปฏิบัติธรรมกัน <c oughs> นี่ก็เรื่องของการปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติสี่ข้อนี้แล้วเราไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้หนึ่งไม่มีอธิษฐานความตั้งใจสองไม่มีสัจจะความจริงใจสาไม่มีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสี่ไม่มีขันติความอดทน mm hmm. ก็จะไม่มีวันปฏิบัติได้สำเร็จ mm hmm. ถ้าตั้งใจมีสัจจะมีความเพียร ถ้าไม่มีขันติพอไปเจอความยากลำบากหน่อยก็ถอยยอมแพ้ยกธงขาวนั่งสมาธิทีไรพอเจอทุกขเวทนาทีไรถอยกับถอยกับก็ก็หยุดติดอยู่ตรงนั้นแหะกิเลสมันก็ตั้งเป้าสร้างทุกขเวทนาคอยขวางทางเรา แต่ถ้าไม่ถอยยอมลุยยอมทนกัดฟันทนเจ็บก็เจ็บพุทโธมันไปจนกว่าให้มันจะขาดใจเดี๋ยวมันก็ทะลุเองเดี๋ยวทุกเวทนาก็เปิดทางให้เราเองทุกเวทนานี้ก็เป็นเหมือนประตูะประตูมันแค่บางๆนั่นเองพอเราชนมันปั๊บมันก็เปิดเราไปกลัวมันใช่่าวพอไปเจอมันพอมันเจ็บหน่อยถอยเลย อย่ไปกลัวมันชนมันเลยใช้พุโทโธชนมันไปเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่ไปคิดอะไรพุโทโธพุโทโธไปเดี<อ>๋ยวมันก็ผ่านได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติถ้าไม่มีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้แล้วก็ยากต่อการที่จะปฏิบัติได้ เห็นถ้าเรายังไม่มีคุณธรรมข้อไหนก็หัดสร้างขึ้นมาถ้าไม่เคยมีนิสัยชอบตั้งเป้าหมายว่าจะทานู่นทานี่ก็ต้องมาตั้งเป้าหมายเหมือนไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเขาจะมีตารางเรียนใช่ไหมวิชานี้เรียนเวลานี้วิชานั้นเรียนเวลานี้เราก็ต้องตั้งเวลาของการปฏิบัติตั้งตาราง เดินขึ้นมาทำอะไรก่อน เ, อเข้าห้องน้ำก่อนทำความสะอาดทำธุระส่วนตัวก่นอนเสร็จแล้วจะกินอาหารก่อนหรือไม่ถ้าไม่กินก็ปฏิบัติก่อนยังสมาธิไปก่อนหรือเดินจงกรมไปก่อนอพอเสร็จแล้วก็ช่วงต่อไปทำอะไรดีทำความสะอาดบ้านากวาดถูบ้านไป ซักเสื้อผ้าไปมีงานอะไรที่ต้องทำก็ทำไปทําเสร็จแล้วถึงเวลาทํะไรต่อกินข้าวกินข้าวกิกนไปกินข้าวเสร็จรางถ้วยรางชามเสร็จไม่มีอะไรทําแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมถ้านั่งมันจะหลับกินข้าวเสร็จใหม่ๆก็เดินจงกรมไปเดินไปจนกระทั่งมันเมื่อยอยากจะนั่งก็ค่อยกลับมานั่ง แล้วก็นั่งไปพอออกจากสมาธิมานั่งแล้วสงบออกมาอยากจะศึกษาธรรมก็เปิดหนังสือธรรมะอ่านหรือเปิดซีดีฟังหรือถ้าเป็นเวลาถ่ายทอดสดอยากจะมาติดตามถ่ายทอดสดก็เปิดแต่ต้องระวังนะเปิดเครื่องมือถือเดี๋ยวมันจะไปกดปุ่มผิดแล้วมันจะไปที่อื่นแทนนะไปกด มันมีหลายปุ่มนะเดี๋ยวไม่ก่ดกดปุ่มลายเข้าเดี๋ยวก็ยุ่งนะไม่ต้องกดปอมปุ่มที่มีตัว F เนี่ยแล้วมันจะได้เข้าหน้าถ่ายทอดสดได้แล้วก็เนี่ยฟังเทศฟังธรรมไปถ้ามีคําถามก็ส่งข้อความเข้ามาพอเสร็จจากการฟังเทศฟังธรรมก็นุกไปเดินจงกรมต่อเป็นอิรยาบุตเมื่อไแล้ว นั่งมานานรับมวยไม่ใช่ลุกไปเปิดตู้เย็นหากาแฟกินหาขนมกินต่อไม่กินอะไรแล้วกินอาหารมื้อเดียวพอแล้วถ้าจะเอาของที่จะเข้าท้องก็มีแต่น้ําเปล่าัแต่เครื่องดื่มอะไรต่างๆที่มีรสมีชาติอยากไปแตะมันแตะแล้วเดี๋ยวมันหิวมันโหยมันอยากจะแตะอยู่เรื่อยๆดื่มน้ําเปล่าให้ร่างกาย ร่างกายต้องการน้ำเปล่าไม่ต้องการกลิ่นของกาแฟไม่ต้องการรสของกาแฟอันนั้นคือกิเลสกิเลสต้องการลดกลิ่นของกาแฟเราต้องเราต้องฆากิเลสไม่ใช่มาเลี้ยงกิเลสวิธีฆากิเลสก็อย่าให้มันกินอาหารของมันอาหารของกิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนี่กิเลสชอบ รูปเสียงกิ่นแล้วเนี่ยโมันกินแล้วพระตัวมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสั่งเราให้ทำได้การทนตอนนี้เราสู้มันไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่เราเลี้ยงมันมัแล้วมันใหญ่โตแล้วนี่เราต้องการจะลดมันให้มันเล็กลงเราก็อย่าไปให้มันอย่าไปให้รูปเสียงกิ่นลดันเรามาพุทโธพุทโธแทนมันก็จะทาให กิเลนีล่เล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปกิเลส ก, ก็หายไปหมดนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเราต้องอต้องมีกําหนดตารางเวลาของการปฏิบัติเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้กินข้าวเวลานี้ซักผ้าเวลานี้กวาดบ้านเวลานี้เดินชงกลม เหมือนกับเวลาที่เราไปเข้าคอร์สเห็นไหมเวลาไปเข้าคอร์สเขาก็มีตารางไม่ใช่เลยตือนตีสีไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิพักผ่อนไปทำความสะอาดร่างกายรับประทานอาหารเสร็จเดินจงกรมต่อเสร็จมาฟังเทศฟังธรรมต่อฟังบรรยาย มาสนทนาถามตอบปัญหาธรรมเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมเหล่านี้ทำอยู่ทั้งวันอย่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นขอให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะอย่างเดียวหรือเกี่ยวกับเรื่องภา ร, รกิจที่จาเป็นต้องทำให้แก่ร่างกายเท่านั้นพอรับรองได้ว่าถ้าเรามีตารางเวลาและเราสามารถ อยู่ติดกับตารางเวลาที่เรากำหนดได้การปฏิบัติของเรามันก็จะมีการปฏิบัติแล้วมันก็จะคืบหน้ามันก็จะเจริญไปเรื่อยๆธรรมะก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาสติก็จะมีมากขึ้นนั่งสมาธิก็จะสงบได้นานขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่งห้านาทีสิบนาทีก็สงบ สงบแล้วก็อยู่ได้เป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงออกมาก็มาเจริญปัญญามาพิจารณาตายลับพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากับสิ่งต่างๆที่เรายังยึดยังติดอยู่ถ้ายังยึดยังติดกับอะไรก็พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเวลามันจากเรามันจะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจ อันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลาอยู่กับแฟนนี่ไม่มีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าทั้งวันหนึ่งแฟนกับเราจะต้องจากกัน mm hmm. พูดยังไงก็ไม่เชื่อหรอกต้องให้มันเกิดขึ้นถึงจะเชื่อถึงนั้นตอนนั้นถึงจะรู้ว่าทุกข์เป็นยังไง mm hmm. ตอนที่ไม่มีแฟนอยู่ด้วยนะ mm hmm. ตอนที่ต้องอยู่คนเดียวอ mm hmm. ตอนนี้พูดยังไงก็ไม่เชื่อพูดยังไงก็ไม่ยอมทิ้งแฟน พรทิ้งมันก็ทุกข์ทันทีถึงไม่กล้าทิ้งกันไม่ใช่อะไรหรอถ้าทิ้งแล้วไม่ทุกข์กทิ้งกันเปนานแล้วที่มันทิ้งไม่ได้เพราะมันทิ้งแล้วมันทุกข์กันก็ได้รอให้เวลาถูกบังคับให้ทิ้งพอถึงเวลาถูกบังคับให้ทิ้งก็ร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอันนี้ถ้าพิจารณาก่อนล่วงหน้าก็ทิ้งแค่ตอนนี้ดีกว่า ถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีความสงบแล้วเรามีความสุขแล้วเราทิ้งได้เราจะไม่เดือดร้อนตอนนี้เราทิ้งไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขในตัวเราเราก็ต้องยังอาศัยความสุขจากแฟนก่อนแต่พอเราได้สมาธิเป็นแฟนใหม่ปั๊บเราก็ทิ้งแฟนเก่าได้เลยเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนแฟนใหม่ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี้ จะมีความสุขมากกว่าอยู่กับแฟนเก่าใช่ไหมถ้าได้ความสุขจากแฟนใหม่แล้วจะไปอยู่กับแฟนเก่าทำไมใช่ไหมคนที่ทิ้งเมียทิ้งลูกกันก็พราไปได้แฟนใหม่กันนะคนที่ทิ้งสามีทิ้งอายไปเพราะเขาได้แฟนใหม่ของเก่ามันสู้ของใหม่ไม่ได้ใช่ไหมหรือคนที่ได้รถใหม่ก็ทิ้งรถเก่าใช่ไหมพอได้ซื้อรถใหม่รถเก่าไม่นีะเก็บไว้ทําไมเกะกะ ขายทิ้งหรือยกให้คนอื่นไปดีกว่าเมื่อรถใหม่มันดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันเหนือกว่าความสุขจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ความสุขจากสมาธินี้เหนือกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเหนือกว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเป็นราชกุมารใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีความสุขจากสมาธิถึงทิ้งการเป็นราชกุมารได้ ถ้าไม่มีเหรอทิ้งไม่ได้หรอกจะไปอยู่แบบขอทานได้ไงแต่ใจท่านมีสมาธิแล้วตอนที่ท่านไปนะชาติก่อนท่านเคยบําเพ็ญสมาธิมาก่อนท่านมีทุนเดิมมีทุนเก่ามีสมาธิมาแล้วจึงทําให้ท่านสละราชสมบัติได้สละภรรยาได้สละความสุขจากการมีภรรยาสละความสุขจากการเป็นราชกุมาร จะละทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเพื่อที่ไปอยู่กับความสุขที่ดีกว่าไปอยู่กับความสงบแต่ความสงบที่ท่านมีตอนนั้นมันเป็นความสงบชั่วคราวแล้วไม่แน่นอนอยังไม่ยังไม่สงบตลอดเวลาท่านเลยต้องการที่จะไปหาวิธีทำให้มันสงบตลอดเวลาท่านเลยต้องไปบวชเพื่อจะได้ไป สร้างความสงบนี้ให้มันสงบได้ตลอดเวลาด้วยการเจริญปัญญาเพราะความสงบที่ได้จากสมาธินี้มันพอเจอกิเลสปั๊บมันถูกฆ่าหมดเลยพอเจอกิเลสปั๊บความสุขนี้หายไปเลยพอกิเลสบอกจะเอากาแฟนี้ไปเลยความหิวกาแฟเกิดขึ้นเลยความอิ่มจากความสงบหายไปเลย แต่ถ้ามีปัญญาปัญญาก็บอกว่าอย่าไปทาตามเลยมันหลอกเราความสุขที่ได้จากกาแฟซู่ความสุขที่เราได้จากสมาธิตอนนี้ไม่ได้อยู่กับสมาธิดีกว่ากาแฟเคยกินมากี่ถ้วยแล้วมันวิเศษขนาดไหนทำไมวิเศษทำไมต้องกินมันอยู่เรื่อยๆซูสมาธิไม่ได้มันพอมีมันแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆต้องใช้ปัญญา สอนใจให้สกัดความอยากต่างๆให้หยุดความอยากต่างๆพอมีปัญญาคอยเตือนคอยสอนใจพอเกิดความอยากก็ไม่ทำตามมันเฝืนมันไม่ทำตามมันแล้วก็จะไม่ทรมานใจเพราะมีสมาธิให้ความให้ความสุขอยไม่ทรมานเหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี่พออยากอะไรนี่โอ้ยถ้าไม่ได้จะตายให้ได้ ต่อให้ช้างมาลากก็ไม่เชื่อไม่ฟังต้องทำในสิ่งที่อยากทำให้ได้เห็นไหมพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแทบเป็นแทบตายพอมันอยากจะไปอยู่กับแฟนนี่ต่อให้ลากมันไว้เอาช้างมาลากไว้ก็ลากไม่อยู่ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวพอเผลอมันก็หนีไปแล้ว <S <S นี่แหละอำนาจของความอยากมันมันมันมีพลังมากจะสู้มันได้ก็ต้องมีสมาธิ แล้วก็ต้องมีปัญญาชี้โทษบว่าทำตามมันแล้วมันจะต้องเป็นทาตของมันจะต้องให้มันใช้เราอยู่ตลอดเวลามันจะสั่งให้เราไปหากาแฟมาดื่มตลอดเวลาจะสั่งให้เราไปหาแฟนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าถ้าเราไม่อยากจะเป็นทาตเราอยากจะเป็นอิสระใครมาสั่งเราไม่ได้เราก็อย่าไปทำตามมั แล้วถ้าเรามีสมาธิมีความสุขใจเราก็ฝืนมันได้ไม่ทรมานใจพอเราฝืนมันไปความอยากมันก็หมดกำลังไปแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขเราพวกเรานี้อยู่เฉยๆแล้วอยู่ไม่เป็นสุขกันใช่ไ อยู่ทำไมอยู่เฉยไม่ได้สบายจะตายไปทำไมต้องไปเสียเงินซื้อนู่นซื้อนี่ทำไมต้องไปถอสังขารร่างกายไปถึงเครื่องโลกเพื่อไปหาความสุขความสุขตรงนี้มันไม่มีเลยไงนั่งเฉยเฉยมันไม่สุขเหรอมเพราะความอยากมหลอกล ว, ว่าความสุขอยู่เครื่องโลกนู้นอยู่ตรงนี้ก็บอกความสุขอยู่ตรงนู้นพอไปถึงตรงนู้นก็บอกอยาจะกลับมาตรงนี้กแล้วเดี๋ยมันก็หลอกเราไปเรื่อย นี่คือกิเลสมันเป็นอย่างนี้ต้องใช้ปัญญามาคอยสกัดมันแล้วก็ต้องใช้สมาธิเป็นตัวทำให้ไม่ทรมานใจเวลาที่ไม่ได้ทำตามความอยากแต่ถ้าไม่มีสมาธินี่ร้อยทั้งร้อยแพ้มันพวกคนที่ติดยาเสพติดนี่ร้อยทั้งร้อยเลิกไม่ได้ยอมตายกันเสพกันจนตายเนี่ย ดื่มกาแฟก็เหมือนกันเดินม่จนตา ย, นยคนบางคนแก่อายุเก้าสิบก็ยังดื่มอะมันเลิกไม่ได้พอมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้มันเลิกแล้วมันทรมานแต่ถ้ามาดั้งสมาธิทําใจให้สงบได้เห็นอะไรไม่ดีเลิกได้หมดเลยจะไม่รู้สึกทรมานใจเพราใจมันสงบใจมีความสุข นี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องมีความตั้งใจมีความจริงใจมีความภาคเพียรมีความอดทนถ้ามีสี่อย่างนี้แล้วสามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดอยากจะทำอะไรทำได้หมดแต่ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นได้พระพุทธเจ้าก็ใช้สี่ตัวนี้ เป็นตัวที่ผ่ามให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึนะ้นมาเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเนยท่านก็มีความรักในลาบยศสันมีความอยากในลาบยศ ส, สันรสนความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะต่อไปร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่สามารถหาลาบยศ ส, สรรรสิญหารูปเสียงกลิ่นรสได้ เมื่อหาไม่ได้มันจะเอาความสุขมาจากที่ไหนมันก็มีแต่ความทุกข์แต่พอมาหาความสุขจากสมาธิได้ก็เลิกสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากกลับในสิ่งเหล่านี้นั่นเองถ้ายังอยากอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ กลับมาเกิดมากลับมาเกิดใหม่หามาได้เท่าไหร่พอตายไปก็สูญไปหมดไม่มีอะไรติดตัวไปก็เลยต้องกลับมาใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้ามีความสงบติดตัวไปมีความสุขติดตัวไปไปแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะท่านไม่มีความอยากจะได้อะไรแล้วไม่อยากได้อะไรจากโลกนี้แล้วท่านมีความสุขติดตัวไป พวกที่ไม่มีความสุขติดตัวไปก็จะมีแต่ความอยากติดตัวไปความอยากได้ลูกเสียงกลิ่นรสอยากได้อะไรต่างๆมันก็จะทำให้กลับมาใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องทำกันเองไม่มีใครทำให้ใครได้ถ้าทำให้กันได้ก็ดีให้พระพุทธเจ้าทำให้พวกเราพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหนูหน่อยหนูอยากจะไปนิพพาน อเอเดี๋ยะ า, าเดี๋ยวจะพาไปหยูนั่งเฉยๆกินกาแฟรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถมารับขึ้นไปนิพพานกัน <Hug> ถ้าทำนี้ได้ก็ไปกันหมดแล้วแต่มันไปไม่ได้มันจะไปนิพพานได้มันต้องเลิกกาแฟเลิกแฟนเลิกเที่ยวเลิกดูหนังเลิกฟังเพลงเลิกหาความสุขจากทางร่างกาย แล้วก็ต้องมานั่งอดนั่งอดนั่งขัดสมาริให้มันเจ็บให้มันปวดแล้วต้องเอาชนะมันให้ได้แล้วก็ต้องตรงยอมตายร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราตัวเรามันจะตายก็ให้มันตายไปถ้าทำอย่างนี้ได้มันถึงจะไปถึงนิพพานได้ถ้ามันตาพระุทธเจ้าจพาเราไปได้ก็พวกเราก็สบาย มาเกิดเจอพระพุทธศาสนาปั๊บก็ไปเลยมากราภาสามผลก็ถึงนิพพานแล้วพุทธังธรรมังสังฆังสารังกชามิพูดแค่นี้ก็ถึงนิพพานแล้วก็ดีนะไม่ต้องมาเหนื่อยมาทุกข์ยากลำบากกับการปฏิบัติไม่ต้องมากินข้าวมื้อเดียวไม่ต้องมาถือศีลแปด เราถ้ายังอยากเที่ยวก็ขอเที่ยวก่อนไว้รอใกล้าตายรอจิตสุดท้ายก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปรอจิตสุดท้ายกับพุทธังธรรมังสังฆังสารณังกระฉามนี้ปับ๊บไปถึงนิพพานเลยดีไหมอย่างนี้ดีนะถ้าพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ได้ก็โหวิเศษเนะี่ยตอนนี้ก็ขอเที่ยวก่อนนะพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์รอหนูตอนนี้หนูจะ ตอนที่หนูจะตายช่วยมารับหนูไปหน่อยตอนนี้หนูขอเที่ยวก่อนขอซื้อกระเป๋าซื้อลองเทาาซื้อเสื้อผ้าก่อนนี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องปฏิบัติเนี่ยต้องรักษาศีลต้องเดินจงกรมเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วก็ต้องพิจารณาเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา แล้วก็ตัดทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดตัดรูปเสียงกลิก่นรสตัดรากยศสรรเสริญตัดแฟนตัดร่างกายของเราตัดทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดปล่อยได้หมดมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปเนี่ยต้องทำอย่างนี้ถึงจะได้นิพพานไม่ใช่รอรอมาตัดตอนใกล้จะตายตอนนี้หนูขอตัดทุกอย่าง หนูไม่เที่ยวแล้วหนูไม่เอาแฟนแล้วมันก็ตัดแต่คําพูด แ, แต่ก่เลสมันไม่ตัดกับเราไอเล่บอกฮ่าฮ่ า, าเดี๋ยวกูก็กลับพระเดี๋ยวกูก็พาเองกลับมาใหม่เดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากมันยังไม่หมดอนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ หลังจากที่เรียนแล้วรู้แล้วว่าต้องทําอะไรก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติกันรู้แล้วว่าต้องรักษาศีลรู้แล้วต้องนั่งสมาธิรู้แล้วต้องเจริญปัญญาเราต้องนําเอาไปปฏิบัติเอาไปทําให้ได้ทําเอาไปตัดกิเลสเนี่ยที่เอาไปนี่ก็ไปตัดกิเลสเอาไปตัดค ว, นะความอยากนี่เพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อย ถ้าอยากจะหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดตัวความอยากนี่ความอยากในลาบยกสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากในคนนั้นคนนี้อยากมีแฟนอยากได้แฟนอยากคนนั้นมาเป็นแฟนเราอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ต้องตัดให้หมดถ้าไม่ตัดเดี๋ยวดาตายก็กลับมาหาใหม่กลับมาหาใหม่ ถ้าตัดได้ก็ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปต้องเพียรพยายามปฏิบัติกันต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจมีความจริงใจศัจดิมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรมีขันติความอดทนถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วมรรคผลผนิพพาน คือการหรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลตามมานิบานังประมังสุขขังก็จะเป็นผลที่ตามมาก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยาทาวาริวาหาปุราปริปเรมติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิที่ตังปฏิที่ตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจจัตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีคายุโกภพะ มัพพิวะธนสีลิตสะนิจังวุทธาปจายโนจตารุธัมมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลัางสเนี่เพัราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยทำไมกินต้องกินยาด้วย เขาไมเผื่อครับเผื่อไม่เลยไม่ขิงดองครับวางเลยขิงดองนี่เป็นยาน้ะยาฆ่ากิเลสหรือยายารักษาอยู่เลยเวลาเป็นโยมเมงกินขิงดองกันเลยเวลาโยมไม่สบายกินขิงดองกันหรือ่ามันต้องมาพอมาเป็นพระมันต้องกินขิงดองนะพขิงดองมันกินแทนอาหารได้ มันเคี้ยวได้มันกินมันกินแทงอาหารได้เนี่ยพอมันเป็นยาก็เลยมะกินเงินใหญ่เลยเก็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อนะทำไม่น้ามันเป็นยากิกนหน้ากินเลยเนี่ยยาที่ที่พวกนักปฏิบัติหรือพวกพระกินกันนี่มันก็ให้กินเวลาไม่สบายกันแต่นี่มากินตอนที่มันสบายกันว่ามันกินแทนอนะ ทานกิ๊ทานขนมได้พูดง่ายๆเลยมันก็เป็นเหมือนขนมของพระของนักปฏิบัตินี่แหละเ น, นยกวนเนยเอามากวนเนยกันผสมน้ำตาลกินแล้วเค็มๆมันๆหวานๆนี่ก็เลยก็ยาข้าวบดีเขาอนุญาตให้กินเลยได้กินน้ำตาลได้ก็เลยเอาน้ำตาลกับนมมาผสมกันก็เลยกลายเป็นขนมไป ขนมของนักปฏิบัติขนมของพระไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยอ้างว่ามันเป็นนมเป็นเป็นยาเป็นเภสัชเภสัชมันก็ต้องมีโรค ก, ก่อนสิเพื่อกินใช่ไหอมัน ไ, ไม่เป็นโรคแค่าหน่อยสบายดีแต่ทําไมกินยากันทุกวัน <c oughs> แต่เวลากลับเวลาสึกไปไม่เห็นกินยาพวกนี้เลยกินเหล้าดีกว่าสึกไปแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มแชมเปญดีกว่านะ ดื่มแชมเปญดืมยย่มไวนยดีกว่ามากินกับไอ้ไอ้ไอเภสัชพวกนี้แต่พอปฏิบะพอมาปฏิบัติมาบวชว่าถือสีนี้มันกินไม่ได้แชมเปญก็กินไม่ได้ไวายก็กินไม่ได้ก็เอาขิงดองน เ, อ <laughs> <laughs> เนี่ยมาเนยกวนนี้ขิงดองเนยกวนสาลายกินกันอะไร เมล็ดอะไรทานนอนพอของขอบเขี้ยวได้พอเรียกว่าเป็นยาพวกก็กินกันเลย ท, ที่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยป่วยทางใจป่วยทางใจใจหิวใจเคยเค ย, เคยกินเคยขบเคยเคี้ยวเคยกินอะไรพอมาบวชมาถือศีลมันกินไม่ได้ก็เลยหาช่องช่องว่าง ช่องวก็เรียกว่าเลี่ยงบาลีเดิมทีพระเจ้าอนุญาตยาห้าชนิดเรียกว่าในยน้ยนเนยใสน้ำน้ำพึ่งน้ำมันแล้วก็อะไรกันเนยน้ยนเนยใสน้ำพึ่งน้ำมันน้ำตาลนะอ่าน้ำอ้ำอยห้าประการ แล้วให้กินเวลาที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้เนยข้นเนสายสมัยนี้ก็เลยมาแปลเป็นอะไรเป็นเนยแข็งกับเนยนทาขนมปังไปายเป็นบัตเตอร์กับชีสไปั่น <c oughs> <c oughs> ทีนี้คนก็เลยเอาไอ้นยนยขนนี้ไอ้เนยแข็งนี้มาผสมกับน้ำตาลมากวนมันใส่เข้าไปในกระทะกวน ไปไปหน่อยพอมันร้อนมันละลายน้ำตาลกับหนยมันก็ผสมกันพอมากินที่นี้เลยอร่อยเลยก็เรากินเป็นยาไปอัจริงมันเป็นการเลี่ยงบาลีมากกว่าแต่มันก็ทำงานมันก็ไม่ผิดอ่ะก็อนุญาตเน่ยก็นอนเนยสายเนยกวนเนยอะไรต่างแต่ความจริงยามันต้องกินตามเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหม ไม่ใช่ร่างกายก็ไม่เจ็บไม่ไข้แต่กินกันอเงี้ยมันก็แสดงว่ามันกินด้วยความอยากมันไม่ได้กินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บไ อ, ไอ้พวกน้ํามันอะไรนี้อาจจะรักษาท้องสมัยก่อนอาจจะท้องเสียนะกินกินน้ํามันกินน้ําผึ้งอะไรเข้าไปแนละ้วมันก็จะช่วยทําให้อาการาเจ็บท้องถ่ายท้องมันหายไปได้ บางคนอาจจะเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาจจะไปเครือบแผลในกระเพาะหรืออะไรท่านก็แล้วอนุ ญ, ญาตให้กินนะแต่ไม่ได้กินแบบแลักษณะที่กินเงินอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> มันยังไม่ทันเจ็บ่ายได้ป่วยมันกินเงินก่อนเลยวันนี้ทามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสี่ร้อยสิบแปดค่ะ ยูทูปเก้าสิบเอ็ดค่ ะ, ะต้นลมกันก็นกประมาณห้าร้อยมีต่างชาติเข้ามาไหมคนนี้ไม่มีค่ ะ, ะสตีเฟนไม่อยู่ อ, อลิเวียไม่อยู่ชาลานไม่อยู่โทนี่ไม่อยูอ่นี่ขาประจำสี่ลายเห็นว่าชาลานเปลี่ยนใจไม่มามเนตอนต้นว่าจะมา ตอนนี้ติดธุระมั้งตั้งใจแล้วแต่ไม่สามารถทําตามที่ตั้งใจได้ก็เลยไม่ได้มาคือล้มเหลวไม่มีสัจจะต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นแทนแถ้ามีสัจจะก็ต้องตัดภารกิจอย่างอื่นไปถ้าตั้งใจจะมาแล้วก็ต้องมาให้ได้ถึงจะเรียกว่ามีสัจจะถ้าตั้งใจแล้วมีเพื่อนโทรมาเรียกไปเที่ยว ไปไปกินเลี้ยงก็เลยมาไม่ได้ีก็ไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะก็ต้องไม่ไปเพื่อนมาชวนกอก hey, าเฮ้ยไปไม่ได้ไหยตั้งใจจะมาวัดละนี่ถึงเรียกว่ามีสัจจะบางคนไม่แต่ว่าไม่มีสัจจะเลยตั้งใจยังไม่ตั้งใจเลยไม่เคยคิดตั้งใจจะมาวัดเลยมันก็ไม่มีวันที่จะมาวัดได้แต่จะมาก็อาจจะเป็น คนชวนมาเพื่อนชวนมาอ่ะมันเกิดจะไปทําบุญไหน่อะมานะจะไปเลี้ยงพระไปแล้วก็ไปเลี้ยงที่วัดไปไปกินเลี้ยงที่วัดกันไม่ใช่หรือไปวัดไม่ได้ไปทําบุญหรอกไปกินเลี้ยงคนบางคนเขาทําบุญที่วัดเสร็จเลี้ยงพระเสร็จแล้วก็เลี้ยงญาติพี่น้องต่อเพื่อนฝูงต่อก็เลยมาวัดแบบนั้นไม่ได้มาวัดด้วยความตั้งใจจะมา ถ้าตั้งใจจะมาก็อาจจะเป็นวันพิเศษวันสำคัญเช่นวันเกิดเออปีหนึ่งเกิดสักคนหนึงทบุญสักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลอะไอย่างนี้ตั้งใจจะมาจะบอกให้ตั้งใจมาแบบไม่มีเหตุนอกจากว่าอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้มามาปฏิบัติเนี่ถ้าไม่เคยได้สัมผัสกับธรรมะมาก่อนมันจะไม่มา ต้องได้สัมผัสด้วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนอาจจะได้อ่านหนังสือธรรมะอา่านแล้วติดใจหรืออาจจะได้บางคนได้ติดตามถ่ายทอดสด mm hmm. ก็เลยอยากจะมามาถึงที่บางคนมาถึงที่แล้วเพิ่มปิติน้ําตาไหลมันไม่เหมือนกับดูที่ในในในเครื่องบรรยากาศมันไม่เหมือนกันบรรยากาศที่นี่กับบรรยากาศที่เราดูมันไม่เหมือนกัน ถึงแม่ภาพจะเหมือนกันแต่สิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันที่นี่มันสงบมันเป็นธรรมชาติกว่ า, ามีใครอยากจะถามอะไรไนหะ you want to ask any question คนนี้มาจากประเทศชิลีซานติอากโกาสนใจอยากจะบวชอันนี้กำลังมาศึกษาดูวัดต่างๆ ว่าแต่ละวัดมีวิธีการอยู่การปฏิบัติอย่างไรมีใครอยากจะถามไ้มอาจารยครับมีอยากจะถามว่าหลายๆประเทศนะครับทําไมพระพุทธศาสนาถึงเข้าไปถึงมันเป็นเพกกรรมพวกเขาหรือเปล่าครับไม่<ข>หรอกคือเขาก็เขามีมาศาสนาของเขาแล้วไงมันก็เลยเข้าไปยากเหมือนกับเราไปปลูกต้นไม้ที่มันมีต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยมันปลูกยาก ถ้าไปปลูกในที่โล่งเนี่ยมันจะง่ายถ้าที่ไหนไม่มีศาสนาเช่นพวกชาวป่าชาวเขาคนที่เชื่อผีเชื่ออะไรเนี่ยสอนง่ายแต่ถ้าพวกที่เขามีศาสนาอย่างมากมาเป็นร้อยปีพันปีอย่างศาสนาคริศสศาสนาอิสลามเนี่ยไปไปไปเข้าไปไม่ได้หรอกได้ก็เพียงแต่ได้นิดๆิหน่อยหน่อยอย่าง วัดต่างๆในเมืองไทยที่ในต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศถึงมีวัดขึ้นมาเพราะหลังไม่เข้าวัดหรอกมีบ้างพวกที่สนใจที่อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้แต่มันไม่มันไม่ไปแบบกว้างขวางแบบในเมืองไทยตรงนี้แสดงว่าพวกเรานี้ถือว่ามีบุญหรือเปล่าครับจะว่ามีก็ได้แต่แต่ว่าไม่มีก็ได้พบแล้วบางทีก็ไม่สนใจ พบาล้วไม่สนใจครับมันก็เหมือนกับไม่มีบุญพบแล้วมันต้องสนใจเจอเพชรแล้วมันต้องรีบเก็บเอาไว้เป็นสมบัติไม่ใช่เจอเพชรแล้วก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเหมือนไก่ได้เพชรได้พลอยเคยได้ยินนิทานไก่ได้พลอยไหมไก่เวลามันคุ้ยเขี่ยมันหาอะไรมันหาตัวไส้เดือนหาหนอนกินใช่ไหมพอมันเจอเพชรเจอพลอยมันก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยเพราะมันกินไม่ได้ พวกเราชาวพุทธที่เป็นพุทธในประเทศไทยนี้เท่าไหร่เก้าสิบอร์ซนต์แล้วเป็นพุทธจริงๆเท่ากี่เปอร์เซ็นต์พุทธจริงๆมันต้องทําบุญใส่บาตรต้องรักษาศีลห้าต้องเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธจริงพุทธของเราเป็นพุทธแบบพุทธเล่นไพ่พุทธเปิดบาพุทธพุทธเปิดบอลพุทธอย่างนั้นพุทธห้อยผ้าห้อยเหรียญพวกนี้เป็นพุทธแบบนั้น ไม่ใช่เป็นพุทธจริงพุทธในทะเบียนบ้านพุทธแบบงมงายอันนี้ก็เหมือนกับพวกที่มาเกิดในเมืองพุทธแล้วแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาจะได้รับประโยชน์นี้ต้องมาศึกษามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าศาสนาสอนให้เราทำอะไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติ แล้วเราถึงจะได้รับผลจากการปฏิบัติเนี่ยอย่างชาวต่างชาตินี้เขาเขามีโอกาสได้ศึกษาจากทางหนังสือหนังสือพระไตรปิดกนี่เขาเอาไปแปลแล้วเ็าก็เอาไป เ, าเขียนบทบรรยายอธิบ ธ, ธิบายขยายความพอเขาได้อ่านแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็ลองปฏิบัติก็ได้รับสัมผัสกับผล แต่ก็รู้ว่ามันยังไม่มากพอเพราะบรรยากาศมันไม่เอือ้ออยู่ที่บ้านอยู่ที่ประเทศเขามันไม่เอือ้อถ้าอยากจะปฏิบัติเป็นรูปแบบอย่างบวชเป็นพระนี่มันทาไม่ได้ก็มีประเทศไทยเราเนี่ยนะที่พร้อมพร้อมทั้งการเรียนพร้อมทั้งการปฏิบัติพร้อมทั้งการมีสถานที่ให้ปฏิบัติเขาก็เลยมาอยู่กันที่เมืองไทยกัน เวลาเราปฏิบัติค่ะถ้าเราเริ่มกําหนดจากลมหายใจเสร็จแล้วมันจะทุกครั้งมันจะชอบหลุดไปจับตรงหัวใจมันเต้นแล้วก็บางครั้งก็จะไปถึงเส้นเลือดมันกระตุกกระตุกไปตลอดก็ต้องดึงมันกลับดึงมันกลับดึงมันกลับแสดงว่าสติเราไม่มีกําลังเราต้องฝึกสติก่อนมานั่งลองคอยควบคุมใจให้อยู่กับอย่างใดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับการกระทาต่างๆของร่างกายหรืออยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้อย่าปล่อยให้มันไปทุกแห่งทุกคนมันติดนิสัยใจมันชอบไปเที่ยวต้องต้องดึงไว้เหมือนลิงอ่ะลิงต้องหาเชือกจับมาผูกมัดไว้มัดไว้กับเสามันก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้ าปล่อยให้มันไปเที่ยวมันก็ไปพอเวลาเราจะจับให้มันมานั่งอยู่ที่เฉยมันก็ไม่นั่งอยู่ที่เฉยใจเราก็ต้องมีเชือกผูกไว้สติคือเชือกพุทโธคือเสาหรือร่างกายคือเสาผูกมันไว้กับพุทโธก็ได้ผูกมันไว้กับเสาก็ได้แล้วพอเวลามานั่งจะผูกไว้กับพุทโธก็ได้ผูกไว้กับลมหายใจก็ได้มันก็จะอยู่มันก็จะไม่ไปถ้ามันยังไปสแสดงว่าเราแม เราก็ต้องเดินกลับมาเดินกลับมาด้วยการสวดมนต์ก่อนก็ได้ด้วยการพุโทโธก็ได้จนกว่ามันไม่ไปแล้วเราค่อยดูลมต่อถ้าดูลมมันยังไปอยู่ก็สวดใหม่พุโทโธใหม่เดินกลับมาใหม่สติเป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการนั่งสมาธิต่อการเจริญปัญญาถ้าไม่มีสติแล้วใจจะไม่นิ่งไม่สงบ ไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็จะไม่สามารถใช้ปัญญามาหยุดกิเลสได้หยุดความอยากได้ปัญญาก็เป็นปัญญาที่ไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นมีก็เป็นมีดที่ไม่คมฟันอะไรก็ฟันไม่ขาดต้องมีสมาธิเป็นตัวรับหินรับปัญญาเห็นรับปัญญาคือสมาธิคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งค่ะ ผมมีหนี้สินเยอะผมจะบวชไม่สึกเลยได้ไหมครับก็ต้องใช้หนี้ให้หมดก่อนสิข้อสองค่ะถ้าบวชได้หนี้สินเราต้องใช้เขาชาติหน้าหรือเปล่าครับไม่ต้องจะเขาถ้าเขารู้ว่ามีหนี้สินก็ไม่ให้บวชหรอกเวลาบวชก็จะสัมภาษณ์ว่าคุณมีหนี้หรือเปล่าคุณเป็นทาสหรือเปล่าคุณเป็นข้าราชการหรือเปล่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องให้พระเจ้าแผ่นดินอนุญาตให้คุณบวชก่อน ถ้าคุณมีพันธะกรณีอะไรต่างๆนี้คุณต้องเคลียร์มันให้หมดก่อนพ่อแม่ก็ต้องอนุ ญ, ญาตให้บวชเนี่ยเวลาที่เขาบวชก็จะมีการสัมภาษณ์เรื่องต่างๆคุณเปน็นโรครายแรงเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยสมัยนี้เวลามาบวชเขาบางขังคับให้ไปตรวจ HIV ก่อนแล้วก็บงังคับให้ไปให้ตํารวจสถานีตํารวจสอบประวัติก่อนว่ามีประวัติอยู่หรือเปล่า ขมจะคุณชินโยมรู้สึกยังไม่มีสติจะหวังสมาธิคงยังไม่ได้โยมควรนั่งอนาปนาสติก่อนเพื่อหวังให้มีสติมั่นคงก่อนซึ่งก็มีวิธีนั่งเหมือนกันใช่ไหมคะคือวิธีนั่งนี่มันไม่สำคัญถ้ายังไม่มีสตินี้ต้องต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนด้วยการมีสติให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างใดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของการกระทําของร่างกายก็ได้ต้องฝึกสติก่อนแล้วเวลามานั่งจะดูลมก็ได้ถ้าดูแล้วใจไม่ลอยก็แสดงว่ามีสติถ้านั่งแล้วดูลมได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่ามีสติถ้านั่งแล้วยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็แสดงว่าสติยังไม่มีกําลังหยุดความคิดก็ต้องฝึกพุทโธฝึก ดูลมหายใจก่อนที่มานั่งก่อนคำถามจากคุณพรธิดานั่งฟังธรรมเวลาทำงานแต่ก็ทำงานไปด้วยจะได้ไหมครับได้แต่มันจะไม่ได้สองอย่างเลยมันจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้ครึ่งเดียวเพราะมันเวลาฟังธรรมมันก็ต้องอยู่ที่ธรรมถ้าอยู่ที่ธรรมทำงานไปมันก็มันก็ทำไม่เต็มร้อยเวลาทำงานฟังธรรมมันก็ไม่ได้ฟังเต็มร้อย มันก็ได้แบบห้าสิบห้าสิบถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะงั้นจิตมันก็ได้วิ่งไปวิ่งมาทําอยู่กับงานปั๊บกลับไปที่เสียงธรรมไปที่เสียงธรรมปั๊บกลับมาที่งานนี่ก็กลับไปกลับมาบางทีเสียทั้งสองอย่างเลยก็เรียกว่าจับปลาสองมือจับปลาสองตัวจับปลาสองตัวด้วยมือสองมือมันเลยจับไม่ได้ทักตัวหนึ่งเพราะปลามันดิ้นนะแล้วจับมือเดียวพอดิ้นปั๊บมันก็หลุดเลย ถ้าอยากจะจับบาก็จับมันทั้งสองมือเลยเอาตัวเดียวก่อนเอาทีละตัวจะได้จับมันได้อย่างมั่นมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังธรรมก็อย่าไปทํางานอันนี้พูดถึงตามหลักการนะแต่ถ้าเป็นนิสยัยชอบทํางานแล้วเปิดเพลงฟังไปนี่เรามาเปลี่ยนเป็นฟังธรรมะก็ยังดีกว่าอย่างน้อยก็ยังได้ธรรมะห้าสิบยังยังดีกว่าไปฟังเพลงแล้วไม่ได้ธรรมะเลย แต่ถ้าอยากจะได้ธรรมะเต็มน้อยก็อย่าไปทํางานหยุดทํางานแล้วก็ฟังธรรมะไปเช่นตอนนี้ถ้าติดตามถ่ายทอดสดก็ดูถ่ายทอดสดไปอย่างเดียวอย่าดูไปแล้วก็ทํางานไปเพราะมันจะไม่ต่อเนื่องจิตมันจะข้ามไปข้ามมากลับไปกลับมาไปงานบ้างมาทีา่มาที่ทำบ้างมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรอย่างต่อเนื่องทั้งสองอย่างคําถามจากคุณวินค่ะ การละวิจิกิจฉาทําได้อย่างไรครับวิจิกิจฉาเรื่อคําสงสัยก็ต้องศึกษาไงสงสัยเรื่องอะไรก็ไปศึกษาเรื่องนั้นไงไปฟังสงสัยเรื่องนรกสวรรค์ก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานก็มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็จะเข้าใจว่านรกมีจรงิงสวรรค์มีจรงิงบุญมีจรงิงบาปมีจรงิง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้เหมือนถ้าเขาบอกว่าในจักรวาลเรานี้มีดวงดาวอยู่มีบริวารของดวงอาทิตย์อยู่กี่ดวงเราก็ไม่รู้ว่ามีจริงก็ไม่มีจริ ง, รงแต่ถ้าเราไปศึกษาเขาก็จะมีหลักฐานมาอ้างอิงให้เราเห็นก็มีภาพถ่ายมีอะไรต่างๆมาให้เราดูเราก็จะรู้ว่าอ๋อนอกจากโลกเรานี้แล้วยังมีดาวอังคาร มีดาวพุธ ด, ดาวพ่อรหัสดาวศุกร์ดาวเสาใช่ไหมถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้เราก็จะสงสัยว่ามันมีจริงหรือเปล่า <S <S อันนี้ก็เหมือนการวิจิตกิจฉาก็แปลว่าความสงสัย <S <S <c oughs> ความยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจสิ่งที่เราได้ได้ยินได้ฟังว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงก็เราก็ต้องศึกษาดู <c oughs> คำถามจากคุณอัญชิตาค่ะ การกินยาคุมบาปไหมคะยาคุมไม่บาปหรอกคุณพิมพ์พรฝากเรียนพระอาจารย์ว่าตอนนี้หนูเลิกดื่มกาแฟได้แล้วค่ะเลิกดื่มมาได้หลายเดือนแล้วค่ะอะก็ดูไปว่ามันจะได้ไปตลอดหรือเปล่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนก็ดูซิว่าเรากับกาแฟใครจะชนะ หลังจากคุณอารุณีการถือศีลแปดจะเปิดฟังธรรมแต่มือไปกดผิดเป็นเสียงเพลงจะบาปไหมครับก็ปิดมันเสียถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปหรอกถ้าถ้าแกล้งถ้าแก้งกดผิดนี่มบาปแต่ถ้าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปกดนี่ไม่ได้แก้งกดนี่ถ้ากดแล้วมันมันโผล่ขึ้นมาก็ปิดมันได้ไม่ใช่เหรอแต่รายหลักนี่เวลาเดินไปไหนมาไหน คนข้างบ้านเ็าเปิดเพลงเราได้ยินก็ไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้มีคนมีเจตนาที่จะฟังเวลานพาดเดินไปบินธบาตยญาติโยมบางทีเขาน้องรำทำเพลงกันอยู่ที่บ้านเนี่ยล้วพาก็บาปตายหมดเลยคำถามจากคุณกิจิพรเรื่องในการฝึกกรรมฐานซึ่งมีมากมายหลายหลากหลายแบบเช่นการฝึกอานาปนสติการฝึกกสินอสุภกรรมฐานและอื่นๆ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าวิธีการฝึกแบบไหนเหมาะสมกับเราเพื่อการหลุดพ้นครับและก่อนการฝึกกรรมฐานทุกครั้งจําเป็นต้องสมาทานพระกรรมฐานหรือไม่ครับไม่ต้องหรอกจะลองวันสิ่งี่ิบอย่างก็ลองเอาลองทีใดอย่างไปอย่างไห น, นถูกกับเราเราก็ใช้อย่างนั้นที่เขาสอนสองอย่างนี้เพราะมันเป็นมันของที่ถูกใจกันทุกคนเหมือนข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดนี่นใครใค ก, ก็กินได้นะ เวลาจะจัดงานเลี้ยงทีไรก็ไม่รู้จะจัดอะไรก็ข้าวผัดไข่เจียวนี่หว่าเป็นของของของยืนที่ไหนใครก็กินได้ทั้งนั้นอันนี้ก็ลองดูเอาถ้าคุณไม่ชอบข้าวผัดก็ลอง อ, ะ, อ, ะ, อ, ะ, อะไรมะไข่เจียวหมูทอดดูหรืออะไรกร๋วยเตี๋ยวไปหรือข้าวต้มไปกรรมาฐานสี่สิบก็เป็นเหมือนอาหารสี่สิบชนิดที่จะามาทําให้ใจเกิดความสุขเกิดความอิ่ม คุณก็ลองไปดูเสิคุณอยากจะลองอันไหนคุณก็ลองดูคำถามจากคุณกินแก้วค่ะบทสวดโทษชงที่มีในพระสูตรว่ามีอนิสงส์ต่อการรักษาโรคนั้นจริงๆแล้วคือรักษาทุกขเวทนาทางกายหรือรักษาใจหรืออย่างไรคะ อ, อ๋อรักษาทางใจบางทีเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจมันหดโหมันเศร้ามันซึมเศร้า พอมันไม่มีโพชฌงพ อ, พอพระพุทธเจ้ามาบอกเฮ้ย hey, เอาโพชฌงมาใช้สิเอาสติมาใช้เอาปัญญามาใช้เอ๋เอาสมาธมาใช้เ mm hmm. พอเอามาใช้ปั๊บใจก็หายทุกข์ใจก็สงบใจก็มีความสุขท mm hmm. ่านั้นเองร่า mm hmm. งกายก็ยังเจ็บเหมือนเดิมอ่แต่ถ้ามันเจ็บไม่มากก็ลุกขึ้นมาเดินได้เลยที่มันเดินไม่ได้เพราะมันไม่มีกาลังใจอยากจะลุกท่านั้นเอง มันเจ็บตอนนั้นปวดตอนนี้อะไรกูไม่ลุกดีกว่านอนดีกว่านอนแล้วก็ร้องโอดควรวนไปเพราะไม่รู้จะทํำยังไงใจมันไม่สู้นะพอปลุกใจขึ้นมาสร้างกําลังใจขึ้นมาด้วยธรรมคือโพชงนี่โพชงนี้ก็คือกําลังใจเหมือนน้ํามันของใจถ้าเติมโพชงเข้าไปในใจปั๊บใจก็เหมือนรถสตาร์ทปุ๊บปังติดขึ้นมาเลยขับไปได้เลยพระพุทธเจ้าบอกให้ใช้โพชงปับ๊บคนที่ฟังนี้ ก็ปลุกโพชงขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินได้เลยมันหายจากอา ก, การเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่หายหรอกเพียงแต่ว่าใจมันมีกําลังที่จะสามารถสั่งให้ร่างกายทําอะไรได้คนบางคนถูกยิงต้องสองสามกระสุนสองสามนัดยังยังวิ่งไปฆ่าคนอื่นได้เลยถ้ามันใจมันสู้อ่ะใช่ไหมแต่ถ้าใจไม่สู้โดนตีปั๊บเดียวโดนต่อยแว บ, บเดียวก็ล้มลงไปแล้วไม่สู้แล้วคําถามจากผู้ฝ ถ้าคนทักป้ายทะเบียนรถเลขไม่ถูกชะโลกกับเจ้าของทำให้โชคร้ายให้เปลี่ยนซะถ้าเชื่อแปลว่างลงไงใช่ไหมคะเพราะพระพุทธศา ส, สนาสอนให้เชื่อเหตุและผลค่ะนั่นสิแล้วละจะเชื่อแล้วไม่เชื่อข <c ười> ี้เกียร์เกียรตอบตรงๆให้ใช้ปัญญาคิดเองมั่งคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยได้ยินว่าคนทาดีจะฝันดี แล้วคนที่นอนหลับแต่แทบไม่ค่อยฝันเลยแสดงว่าเป็นคนยังไงคะเออมันแน่หรอบางทีฝันแต่เวลานฝันแล้วไม่รู้ว่าฝันไงพอตื่นขึ้นมามันก็ลืมไปหมดก็เลยคิดว่าไม่ได้ฝันฝันบางอย่างมันไม่มันไม่หนักไม่แรงมันก็เลยไม่ไม่ติดมันไม่ติดตามมาหลังจากที่เราตื่นแต่ถ้าฝันอันไหนที่มันหนักมันแรงในบางทีตื่นขึ้นมามันยังจาได้แมันจาได้เดียวเดียว ตื่นก็มาปป๊บเดียวหายไปละทั้นจะบอกว่าไม่ฝันนี่ยากฝันทั้งนั้นอ่ะเพียงแต่ว่าเรามีสติที่จะรู้รื้เปล่าว่าเราฝันอะไรกันคนที่มีสตินี้เขาก็บางทีก็พอจะรู้ได้คือบางทีเขาหลับแต่เขาไม่หลับเต็มเต็มร้อยก็มีสติหลงเหลืออยู่พอให้เขาสามารถติดตามความฝันได้อยู่แต่ถ้าหลับแบบไม่มีสติเนี่ยมันก็ฝันโดยที่ไม่รู้ไม่รู้เสร็จ ต, ตัวไม่รู้เรื่อง คำถามจากคุณสีริชัยเวลานั่งขัดสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วออกจากการนั่งจะยืนเดินไม่ได้ประมาณ 3-5 นาทีเป็นปกติหรือไม่ครับเป็นปกติร่างกายมันก็ต้องปรับเลือดลมมันยังไม่ไหลเวียนก็ก่อนที่จะลุกเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องใช้เวลาเช่นเวลานั่งนานๆก่อ น, นก่อนเวลาจะลุกขึ้นมาก็ค่อยค่อยยืนก่อนดูกําลังขาก่อนว่าขยับได้ปะ เพราะเลือดมันยังไปไม่ถึงขาใจมันสั่งไปแล้วแต่ขามันบอกกูยังไม่ถึงยังไม่มีกำลังก็ต้องรอดูก่อนคำถามจากคุณนพล ค, ค่ะระหว่างนี่กรรมกับนี่ทวัตถุนี่วัตถุบวชไม่ได้ส่วนนี่กรรมละครับบวชได้หรือเปล่าครับอ๋อ น, น, นี่กรรมไม่มีใครรู้หรอกเรามีนี่กรรมไม่มีนี่กรรมใครเขาจะไปพิสูจน์ได้ทุกคนก่อนมาก็มีนี่กรรมกันทั้งนั้นเลย คำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งเวลาที่ลูกเห็นสัตว์โดนทําร้ายหรือโดนฆ่าลูกจะรู้สึกเป็นทุกข์และสงสารขึ้นมาทันทีลูกจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เกิดทุกข์นั้นขึ้นมาครับก็อย่าไปดูมันเลยถ้าเห็นแล้วมันไม่สบายใจก็อย่าไปดูมันหรือเวลาไม่สบายใจก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงมันมันก็จะทําให้เราลืมเรื่องนั้นแล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปได้ หรือถ้าจะใช้อีกวิธีหนึงก็คิดว่ามันเป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกันคนเราทุกคนไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์เวลาเกิดมาแล้วก็ต้องมีกรรมต้องมีวิบากกันมีบุญก็ถ้ามีบุญก็ได้ผลบุญถ้ามีบาปก็ได้ผลบาปคําถามจากคุณนภพลการที่เราดูลมหายใจที่หมุนเวียนในร่างกายถือเป็นกายานุสติหรือเปล่าครับไม่เป็นอาการของลม ไม่เป็นอะ่ะต้องอดูอยู่ที่เดียวถึงจะเป็นอย่าไปเดินดูมันหลายเวียนอันนี้มันเป็นการปรุงแต่งของจิตละเราไม่ต้องการให้จิตปรุงแต่งต้องการให้จิตนิ่งให้จดจ่อดูเฉยเฉยคาถามจากคุณนกเวลาที่ดูลมหายใจพุทโธพุทโธแต่พอมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจเข้ามากระทบแต่ก็รู้สึกว่าขณะนี้กําลังมีสิ่งอื่นมากระทบ อย่างนี้ถือว่ารู้ทันอารมณ์ได้ไหมคะก็ต้องอยู่ที่พุโทโธต่อไปอยู่ที่ลมต่อไปถ้าไปคิดถึงมันก็ไม่ทันแล้วมันถูกมันหลอกละถ้าไปคิดว่าเอยเรารู้ทันมันแล้วอย่างนี้ก็ก็แพ้ก็ถูกหลอกเองละต้องไม่คิดถึงมันเลยไม่ต้องไปวิจาไม่ต้องไม่ต้องไปวิพากวิจารมันให้กลับมาที่พุโทโธอย่างเดียวให้กลับมาอยู่ที่ลมอย่างเดียวถึงจะรู้ทันคาถามจากคุณปลาณี หนูอยากถามว่ามีเสียงเรียกให้นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนี้หนูจะทำอย่างไรดีคะก็ทำตามที่เรียกสิเสียงดีเนี่ยของดีไม่ทำตามเวลาเรียกไปเที่ยวนี้ไปเลยแล้วเรียกไปกินกาแฟไปเลยคำถามจากคุณโจน การท่องพุโทโธแบบนับตัวเลขจะทำให้จิตสงบดิ่งลงได้หรือไม่คะก็ลองทำดูสิแม่แต่ละคนมันอาจจะดิ่งด้วยวิธีแต่ละอย่างไม่เหมือนกันคำ ถ, ถามจากคุณนารานิวรณ์ทำคืออะไรเป็นอย่างไรครับนิวรณ์แปลว่าอุปสรรคที่ขวางกั้นการทำใจให้สงบมีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งก็การมาฉันทะความอยากดื่มกาแฟความอยากดูหนังฟังเพลง พอนั่งสมาธิปั๊บก็เปรี้ยวปากขึ้นมาทนนั่งต่อไปไม่ได้ต้องไปทํากาแฟมาดื่มหรือพอนั่งปับ๊บ อ, อยากจะเช็คดูไลน์ล้เพื่อนส่งข่าวมาหรือเปล่ปาใครมีอะไรหรือเปล่าก็ไปเปิดไลน์แทนนี่มันก็นั่งสมาธิไม่ได้แนละ้วการมัชชะนทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ก้อที่สองวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยว่านั่งแล้วจะได้อะไรหรือเปล่ปานั่งแล้วมันจะสงบหรือเปล่ปา ถูกหลอกให้นั่งหรือเปล่าอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าอะไรทํานองนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่ทุ่มเทกับการปฏิบัตินั่งไปปุ๊บหนึง่งพอนั่งแล้วไม่เห็นผลเลยไม่ได้เรื่องแล้วไม่นั่งดีกว่านี่คือความลังเลสงสัยต้องแก้ด้วยการมาพังคนที่เขาได้แล้วว่าอนั่งแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ เรฟังแล้วเขาเราก็จะได้มั่นใจเหมือนกับเราไปซื้อซื้อของที่ร้านเนี้ถ้าไม่รู้ว่าของเขาขายนี่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจก็ลังเลสงสัยว่าจะซื้อดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามีคนนี้เข้ามาซื้อไปก่อนมาบอกเราให้ hey, ดีร้า น, นี้ของดีพอเขาบอกเรานี่เราก็มีความมั่นใจเราก็ซื้อได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันความรังเลสงสัยข้อที่สามความฟุ้งซ่านเอ ที่นั่งแล้วก็คิดปรุงแต่งไปคิดเรื่องนู่นคิดเรื่องนี้แสดงว่าไม่มีสติควบคุมใจมาก่อนก็ต้องฝึกสติมาก่อนต้องหดฝึกสติตั้งแต่ตื่นเลยพยายามหยุดความคิดปรุงแต่งที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดย้าพุโทโธพุโทโธไปสามแล้วข้อที่สี่ความง่วงนอนพอนั่งปั๊บเาลอเลยบางทีก็เพราะกินมากไป พอกินข้าวอิ่มๆนี่นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีวิธีแก้ก็อย่าไปถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องลดผ่อนอาหารอย่า ก, กินอาหารให้มากเกินไปผ่อนไปเรื่อยๆแลลดไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งมันไม่ง่วงหรือม่เช่นนั้นก็ไปนั่งที่มันน่ากลัวเชนไปนั่งในป่าคนเดียวไปนั่งในป่าช้า ในหน้าไปนั่งในสถานที่มันมีความหวาดเสียวน่ากลัวพระบางลูกก็ไปนั่งที่หน้าปากเขวยวหรือไปนั่งตามที่มีรอยเสือผ่านรอยเท้าเสือเนี่ยะท่านชอบไปหาที่นั่งแบบนั้นเพราะรู้ว่าเยวเสือมันก็จะต้องมาเวลานั่ง ม, มันก็เลยเกิดความกลัวมันก็จะไม่ง่วงนี่ก็คือวิธีแก้ความง่วงเป็นอุปสรรค ถ้านั่งแล้วง่วงมันก็หลับนั่งก็ไม่ได้ผลแล้วอีกข้อหนึงก็คือความโกรธอารมณ์บางทีโกรธเวลานั่งแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธขึ้นมาก็ต้องระ ง, งับความโกรธด้วยถ้าเกิดความโกรธเพราะคนอื่นทำให้เราโกรธเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขา แต่เรานั่งแล้วคนนั้นทำกุ๊กก๊กกุ๊ก๊ ก, กนั่งข้างๆล้วขยับนู่นขยับนี่เราก็จะนั่งให้มันสงบก็ไม่สงบสักทีก็โกรธคนที่นั่งข้างๆเรานี้ก็ต้องแผ่เมตตาอย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาความโกรธจะได้หายไปหรือถ้าโกรธตัวเองก็ต้องเมตตาตัวเองว่า ใ, ใจเย็นๆ เ, เรายังไม่มีกำลังพอโกรธไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช้เหตุใ้ผลพยายามสร้างสติใหม่พยายาม ทำใหม่ค่อยๆไปใจเย็นๆกรุงลมไม่ได้สร้างในวันเดียวให้คิดอย่างนี้ก็จะหายโกรธได้นี่ก็คืออุปสรรคที่ขวางกั้นที่เรียกว่านิวรห้ามีการมาฉันทะความอยากในรู้เสียงกลิ่นรสวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติในผลของการปฏิบัติอย่างนี้ แล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงนอนแล้วก็เกิดความโกรธก็ต้องใช้วิธีต่างๆแก้มันไปมีไหมอ่าอือสองสามคำถามก็แล้วกันคำถามจากคุณวนุษย์บ่อยครั้งที่ชอบคิดปรามารวส่งและผู้ที่ไฝ่ทางธรรม และสั่งสอนผู้อื่นว่าเขาดีจริงไหมทาอย่างไรถึงจะหยุดคิดได้คะก็เราก็อาจจะต้องศึกษาดูว่าพระสงฆ์นี้ท่านดีหรือไม่ดีศึกษาดูพระพุทธเจ้าว่าท่านดีหรือไม่ดีะอาลัยสงสารบกของพระพุทธเจ้าว่าท่านดีหรือไม่ดีท่านดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรงเราต้องรู้ก่อน แต่ถ้าเราไปปรามาสนี่อาจจะเป็นเพราะเรามีนิสัยไม่ชอบที่หน้าไม่ชอบพระมาแต่นั่งเดิมพอเห็นพระก็เลยเกลียดถ้าเราไม่สามารถศึกษาได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปคิดนึ่เวลาเจอพระก็หันหน้าไปพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจปล่อยให้ท่านท่านจะดีจะชั่วก็ปล่อยเป็นเรื่องของท่านเราไปปรามาสก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากทาให้เราไม่ดีไปเปล่า คนคนำถามจากคุณไทยมีคนที่มีปัญหาทางจิตเวชเมื่อเ ข, าข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วทําให้โรคซึมเศร้า ก, กําเริบพระอาจารย์มีคําแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่อยากปฏิบัติธรรมไหมคะก็แสดงว่าเขายัางไม่มีกําลังพอที่จะควบคุมใจของเขาพไปปฏิบัติธรรมกับกําเริบเพราะว่าถูกควบคุมบังคับมากขึ้นถ้าอยู่บ้านยังสามารถทําอะไรได้บ้างแต่พอมา เขาปฏิบัติก็มีกฎมีระเบียบมีอะไรมันก็อาจจะทำให้ความซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นเพราะเขายังไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่ในกรอบของข้อบังคับได้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปพยายามหาวิธีฝึกสติไปก่อนอยู่ที่บ้านฝึกสติไปก่อนหยุดความคิดควบคุมความคิดให้ได้ในระดับหนึ่งในระดับที่เราสามารถที่จะไป อยู่กับกฎระเบียบของที่อื่นได้แต่ถ้าเรายังทําไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้พูดง่ายๆก็ถือว่าเป็นวิบากเอาแลนะคิดว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าสมมติว่านี่ที่แบบว่ามันเกินกําลังที่เราใช้อ่ะอยากจะถามว่ามันจะมีกุศลชนิดใดที่จะสามารถทําให้เราเห็นทางออกแล้วก็มีทรัมาใชา้ ก็ทําไมเราเวลาไปกู้นี่กู้ได้นะคือหนูทำซื้อรถให้พี่เพราะว่าพี่บอกว่าต้องตอบแทนบุญคุณเ้าเพาว่าขเขาเลี้ยงเรามาเออก็อตอบแทนตามกําลังของเราสิถ้ามันเกินกําลังก็บอกพี่ขอผ่อนไปก่อนใช่ไหมขอลดคืนเอาลดไปคืนเขาให้เขายึดให้เขายืดลดคืนไปแล้วตาวันข้างหน้าหนูมีเงินแล้วหนูจะทดแทนบุญคุณพี่ใหม่ การไม่ได้ทดแทนตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราในโลกุณหรือไม่กระตันอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่อยู่ในฐานะที่จะทดแทนบุญคุณเ่าได้เขาใจไหมการไม่ได้ทดแทนบุญคุณเพราะเราไม่มีความสามารถจะทดแทนบุญคุณนห้ไม่บาปไม่เป็นความกตันอักกระตันอยู่หรือในโลกุณแต่อย่างใดแต่การที่เราสามารถทำได้แล้วเราไม่ทานั่นถึงจะเรียกว่าอากรตัอยู่เรื่องในลกุณ อย่างตอนนี้ถ้าถ้าเอาเอาลดคืนก็ได้ก็คืนเขาไปให้เขาลดให้เขายืดลดคืนไปเสียแล้วเราก็มาขยันทํางานทํามาหากินเก็บเล็กผสมน้อยไปสักวันก็รวยได้ล้วเจ้าของธนาคารที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขามาเขาก็มีเสือมาใบาเดียวมีหมอนมาใบาเดียวเขาขยันทํางานเก็บเงินเก็บทองเขาไม่ใช้เงินใช้ทอง10ปี20ปีเขาก็รวยขึ้นมาได้ละ เมือนว่าคือจิตหนูนไม่อยากจะแรรบบทะเลาะกับพี่เองค่ะหนูจะแบบมนทางออกที่หนูหาเขาจ่าเด็กประกันก็ให้เขาฟ้องน่มละลายไปสิก็ให้เขาฟ้องนุ่มละลายไปก็บอกธน า, าคารที่เรากู้เงินก็าบอกเราไม่มีเงินจ่ายจให้ดําเนินตามกฎหมายไปอาจจะจะจับไปติดคุกติดตรารางก็ไปยินดีให้ติดเมื่อเราทํากรรมแล้วเราก็ต้องรับผลของกรรมที่เราทํา เดี๋ยวมันก็หมดเองล้มละลายไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็หมดนี่ยสิบปีมนะั้ยพอล้มลายพ้นสิบปีมันก็กลับมาใหม่ได้นะเอาแล้วนะที่ว่าพอสมควรแก่ไว้แล้วอ่ะคุณชาลานเข้ามาค่ะเอ <are> ายูชลานพะจารย์ค่ ะ, ะ I heard which, I heard you not coming anymore which are good health สาธุ